เมหากรัปปินาสูตรว่าด้วยพระมหากรัปปินา983เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระมหากรัปปินานั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากรัปปินานั่งคูบาลัง ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าหน้าที่ไม่ไกลแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกายของภิกษุนั้นไหวหรือเองเอียงไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นนั่งในท่ามกลางสง หรือนั่งในที่สงัดตามลำพังเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นกายของท่านผู้มีอายุนั้นไหวหรือเอ็นเอียงภิกษุทั้งหลายการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิใดที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วสมาธินั้นพิกษุนั้นได้ตามความปรารถนา